สำหรับที่จะพูดกันวันนี้มหาสติปัฏฐานสูตรที่จะพูดกันวันนี้ <c oughs> ควบคุมที่ควบคุมกําลังใจของท่านหรือว่าท่านควบ อารมณ์ในการสันเนขัมมะบารมีคือข่มอารมณ์จากนิวรณ์ 5 สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมปัญญา สัจจะอารมณ์ได้ทรงความจริงไว้มันทรงๆหรือเปล่าว่าเรา <c oughs> แล้วก็ซาโมแล้วเข้าไว้ว่าถ้า 15 หรือเปล่า 4 ครบถ้วน 4 ครบ เรื่องนี้ทั้งหมดต้องทบทวนกำลังใจ <c oughs> นิฟานาศาสชิกิริยายะเอตังกาคำปรารพว่าเรารับภากาสาวพัสมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิภัณฑ์ถึงเหมือนดาพระทังหลายที่ก็บวดแบบเอก็บอกว่าเขาไม่ใช่แล้วแต่ฝ่ายมหานิกายเขายังใช่อยู่ <c oughs> จะกล่าวอย่างไหนก็ตามเรา <c oughs> ว่าพระสารีบุตรเคยแนะนําบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย อารมณ์นี้ต้องมีอยู่ในบรรดาจิตในจิตของบรรดา <c oughs> ถ้าใช้คําว่าไม่รู้ก็เร็วเต็มทีวินัย แล้วก็ถ้าหากว่ายังปล่อยใจว่าไม่รู้ก็แสดงว่าเราบวชเข้า ที่เขาต้องลําบากยากไร้รักษาลูกไฟน้ําใช้ให้แก่เรานี่เรา ที่พูดนี้พูดให้จําแล้วก็พูดให้ <c oughs> ตอนนี้ไปก็เห็นแก่เป็นๆในตอน ว่าเป็นภาษาไทยแปลจากวลีสำนวนมันมาเกาะหน่อยนะฟังยากนิดแต่ก็ต้องว่าไปเพราะฉะว่าจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่ามาว่ายังไงปะเดี๋ยว ตามปาลีเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้ง ไม่ใช่รู้แต่อะไรอย่างใช่รู้แต่ละอย่างอะไรไม่ หรือเราก็รู้อย่าถอยกลับมาข้างหลังเราก็รู้ในใจไม่ได้นึกว่าขาไม่ก้าวหรอก ในข้อต่อไปนี้ว่าย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมในถือบาทก็รู้ก็รู้แล้วก็รู้ว่าถือ เวลาจะห่มจิวรก็รู้พระท่านบอกต่อไปว่าย่อมรู้พร้อมในการกินในการ หรือว่าเป็นผู้นิ่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นผู้นิ่งอยู่ ทำให้ทำรู้เดินสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เดินรู้นอน แต่ว่าสําหรับพวกเรานี่เรียนกันมามากแล้วนี่ถ้ารู้เท่านี้ก็น่ากลัว ไม่ใช่บางทีล่ะผมว่ามากทีเลยทีเดียวที่พวกเราไม่รู้ทํากันอย่าง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 ก็ควรจะรู้อยู่เสมอว่าวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นถึงหลับนิวรณ์ 5 ประการมันกินนี่เรา กรณ 15 มีศีลสัมมาทาเป็นต้นมีจตุตถฌาน อันบารมีอารมณ์ใจเปี่ยมพร้อมในการที่จะให้ทานศีลและสัมมาทาศีลบารมีหรือว่าศีลสัมมาทาพร้อมที่ทรงการรักษาศีลไม่บกพร่องคือสิกขาบท 227 สำหรับพระสำหรับในสิกขาบท 10 เกสิวัฏที่ 75 สำหรับฆราวาสก็ 8 หรือ ทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่องจําจิต คนนั้นดีคนนี้เลวปรารภแม้คนนั้นสวยจริง ทํามีรู้สึกในจิตสถานในคาถาที่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 ถ้ายมมีอยู่แต่ยังแก้กันไม่ได้แล้วเตรียมไปนรกแต่ว่าก่อนที่จะไป <c oughs> มาอารมณ์ชั่ว 15 อารมณ์ดีมาจาก 4 อารมณ์ก็มีความดีเพราะเรา คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่แกของชาวบ้านที่จะมาสร้างความยุ่งความยากจะสร้างความเดือดร้อนในเขต อาการเช่นนี้มันแปลกกายของสัตว์ติเรฌานะคาถาเนี่ยเป็นอาการของสัตว์ติเรฌานั่นเองเพราะ มึงการยังนี้เราต้องรู้มันจะต้องไม่มีในจิตของเราสำหัญญาต้องรู้ตัวไว้เสมยนี่ว่ากันในด้านสมทภาพวนา และองฮ. สมเด็จพ่าสมพวทย์เจา เป็นไปในภายในบ้างหรือ ก็หรือสติมีก็หรือสติว่ากาย ตอนภายนี้เป็นวิปัสสนาญาณเว้นอันว่าในมหาปฏิปทาฐานแต่ละข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเลยตอนว่ากันว่าท่านว่าพิจารณาให้ไกลหิ้งกายภายในบ้างหิ้งกายภายนอกบ้างรวมความ แล้วก็ไม่มีกายติดอยู่ว่าสมบัติในโลกทั้งหมดมันจะเป็นเรา นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมหาอธิปฐานสูตรให้เข้าใจว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นิดๆหน่อยแล้วก็ผ่านไปท่านลงท้ายด้วยอริยสัจคือว่าเห็นกายในกายในภายใน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 ตามที่ผมพูดอยู่เสมอเสมอ เอมบาจีวันก็ดีนั่งอยู่ก็ดีกินอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ คนเขานั่งฟังเสียงพูดเราก็มีสมัญญะรู้ว่าไอ้เรื่องการฟังเสียง ไปหาปู่ย่าตายายบางคนของคนก็ยังอยู่บางคนก็ นี่ไม่ดีตั้งเชื่ออะไรบ้างเราก็จําไม่ได้นี่ก็เป็นอนุว่าความเกิด แล้วตามใจตามโรงก็เป็นอันว่าทุกความเปล่าทั้งนั้นสิ่งที่ความดีกับที่ติดใจของท่านไปนี้องค์สมเด็จทรงตรัสว่าชาติวิความเกิด <c oughs> เมื่อเราเกิดมาคราวนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ เป็นอันว่าสภาพที่มีปัจจัยให้เกิดความทุกข์มันยังต้อง เมื่อร่างกายมันเกิดขึ้นความเสื่อมมันปรากฏว่าเธอจงเห็นร่างกายทั้ง เราจะไม่จะถือว่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป ความว่าโมติดจั่นกฎหมายความว่ากินเรดยัง แม้ร่างกายนี้เป็นปัจจัยให้จิตใจสมองถ้าเรายึดถือว่ามันเป็นราวเป็นของเราแล้วนอกจากร่างกายนี้สัพพวัตถุในโลกทั้งหมดมันก็ไม่ๆไม่ๆรวมกําลัง เรเรเรามีความเรามีร่างกายถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไป คิดอย่างนี้แล้วก็เหลียวไปดูบารมี 10 ประกอบให้ ในที่สุดเราก็ไปอรหันต์พระอรหันต์เข้า ให้เป็นไปตามอติยาศัยพวกคงกำลัง